พระธรรมเทศนาแผ่นที่109านำบบที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18พฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าสติควบคุมจิตวันนี้เป็นวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2560 ฝนเริ่มตกมาตั้งแต่วันที่14วันที่14หลวงพ่อเพ ง, งานประจันทานเพลิงศริระสังขารหลวงปู่เริ่มแต่วันที่14แต่มาเร่งเอาวันที่16งานโคงหลวงปู่แล้วก็วันที่17เมื่อวาน18วันนี้ฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง แต่เขาบอกว่ามันเป็นเข้าเขตฤดูฝนแต่ทาไมปีนี้ทำไมเข้าฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาก็แปลกเหมือนกันนะแต่ก็ฝนตกติดต่อกันหลายวันเหมือนกันน้ำทางแถวอีสานเหนือของเราเนี่ยไปที่ไหนน้ำเต็มทุ่งเต็มท่าไปหมดลเลยในวัดของเราคนนีวันนี้รู้สึกว่าน้ำนอง ลักษณะเมื่อวันที่8ที่เก้าพุศจิกายนแต่คิดว่าคงจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกประมาณจะครึ่งหนึ่งว่าความเสียหายมีไม้ขกง็คงจะมีพกต้นไม้ที่เราปลูกใหม่คงจะเสียหายไปบ้างแต่ก็ไมเป็นไรละ่ะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ละ่ะ มีขึ้นมีลงมีฝนตกมีฟ้าแรงมันมีของธรรมชาติของมันเราก็แต่งเติมไปตามธรรมชาติของมันนั่นแหละแต่มันเสียหายล้วก็ปรปับปรุงขึ้นมาให้มันดีขึ้นแต่มันเสียหายมากเราก็ปล่อยปะละเลยไปทำยังไงมันแก้ไขไม่ได้ แต่ว่างานของเราที่มันเสียหายเมื่อปีที่แล้วตั้งวันที่8ที่9พฤศจิกายน5 9เเรามาซ่อมเสร็จเมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช 2,560 นใช้เวลาหลายเดือนแต่ก็อยู่ในสภาพคือว่าดีขึ้นกว่าเก่าเพราะเราจะทำให้อย่างเก่าไม่ได้ ทำอย่างก็มันก็สู้ธรรมชาติไม่ได้เราก็ต้องทำให้แข็งแรงขึ้นตามสายตาของหลวงพ่อนะคิดว่ามั่นใจแต่เราจะไปท้าทายท้าใส่ธรรมชาติเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แล้วธรรมชาติมันไม่ใช่ธรรมดาแต่มากมันก็ทำให้ระเนระนาดอีกเหมือนกันนะั่นนะ แต่ว่าเราทำดีที่สุดแต่ว่าทำดีขึ้นมาขนาดนี้มันยังเสียหายทำดีขึ้นไปอกีกมันทำให้เสียหายเราทำดีขึ้นไปอกีกเก่งขึ้นอีกแข็งแรงไปอกีกลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทำดีขึ้นขนาดนี้แล้วมันมีปัญหากับทำด้อยลงไปอกีกเราก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกัน อันนีู้ดถึงธรรมชาตินะูดให้ฟังพายุน้ําท่วมไฟไหม้มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะเราเกิดมาอยู่ในโลกจะไปหลีกเลี่ยนหนีลำบากบางทีเผลอเผอแผ่นดินไหวอีกต่างหากบางแห่งก็มีภูเขาไฟเนี่ยธรรมชาติอยู่ในโลก แต่วันนี้ก็ทราบข่าวนะศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อว่าติดตามอยู่ตลอดคือวันนี้ทราบข่าวว่าทางบ้านตาดคณะกรรมการเจดีขององค์หลวงตาที่ออกแบบโดยพงเจ้าสิริพาที่ลูกสาวทุนกระมงเป็นประธานและอาจารย์มหาวิทยาลายัยศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ แล้วก็หาพู้รับเหมาก็ให้แบบกับพู้รัเหมาไปคิดราคานี่ละ ว, วันนี้ก็ผู้คิดราคาก็เอามาเอาแบบมาส่งแล้วนะส่งวันนี้มาตั้งแต่ตอนเช้าหลวงพ่อก็ติดตามหลวงพ่อมาแต่ไปแล้วหลพ่ออยู่ในวัดผมมันไม่เกียกเก่ยวกับหลวงพ่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ สรรหาเป็นหน้าที่ของสัทยาญาิโยมก็จะพูดกันทั้งจังหวัดนั่นทั้งจังหวัดท่านผู้ว่ า, าคงจะให้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งจังหวัดมาร่วมทางวัดคณะกรรมการของวัดก็ขอไปร่วมกันทั้งกรุงเทพทั้งที่ไหนๆที่เขาแต่งตั้งกันมาวันนี้เป็นวันเปิดซองมีทั้งหมดมีห้าบริษัทมั้ มีห้าบริษัทที่เข้ามาแต่บริษัทที่หกส่งไม่ทันวันนี้เ็เป็นวันเปิดซองแต่ราคาก็ไม่เหมือนกันนะแต่หลวงพ่อทราบข่าวมาราคาไม่เหมือนกันแต่ก็มีราคากลางบริษัททำราคากลางมีเราจ้างบริษัทมาจากกรุงเทพมาเป็นผู้ ควบคุมดูแลควบคุมงานแล้วก็เป็นผู้คิดเรื่องราคากลางขึ้นมา น, นี่แหละ ว, วันนี้เปิดแล้ะแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่ก็จะเรียกบริษัทมามาอะไรสาธิตในการที่จะจะทำงาน วิธีการทำงานแลวิธีการจะทำงานจะทำยังไงในเมื่อราคาราคาที่ได้ที่ออกมาเนี่ยมันแตกแตกต่างกันแตกต่างเพราะอะไรเวลาจะทำงานจะทำงานอย่างไรผลสุดก็ให้คะแนนกันละคณะกรรมการทางจังหวัดทางวัด รวมกันแล้วสิบกว่าท่านให้คะแนนบริษัทไหนที่เป็นผู้โชคดีได้คะแนนสูงจากนั้นเขาเข้าไปคุยอกีกว่าคุณจะทำงานอย่างไรในการแบ่งการทำงานจากนั้นเขาก็ทำไปไนลาลักอักษรออกมาเป็นที่พอใจแล้วก็จากนั้นก็มาเซ็นสัญญากัน เซ็นสัญญาก็เราจะประกาศวันที่สามสิบนะจะทาญาทโยมสามสิบพฤษภาเนะี่ยยานไดโพลับเหมาแล้วทนายไดโพรับเหมาในเมื่อไดโพลับเหมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วันประมาณชั่กลางเดือนเดือนมิถุนากลางเดือนมิถุนาวันที่สิบห้านะมิถุนา่าจะเริ่มลงมือทําละวทนายขนของเขามาเริ่มทำแล้ว แปลว่าตีและขังแป้งะช็อกกว่างั้นคงจะทำทำงานจากนั้นก็ใช้เวลาสองปีเฉพาะโครงสร้างนะโครงสร้างสองปีจากนั้นก็ตกแต่งทางพิพิธภัณฑ์ด้วยทางอะไรด้วยทั้งหมด36เดือนคงจะไม่ขาดมากถ้าเกินก็คงจะไม่เกินมากพอเราตั้งกำหนดไว้อย่างนั้น แต่เรื่องราคาเนี่ยก็ยังยังไม่ทราบน่แหละวันที่ยี่สิบสี่หรือวันที่สามสิบนั่นแหละชัดเจนเราเงินของเราปัจจัยของเราที่มีอยู่นะจะหาเพิ่มไหมหรือเพียงพอนะพอนอะคงจะไม่พอถึองพอถึงพูดพูดฟังฟังดูคงจะได้หาเพิ่ม หาเพิ่มจะหาเพิ่มมากขนาดไหนอันนี้ก็ต้องคณะกรรมการก็ต้องปรึกษากันอีกทีหนึ่งหลวงพ่อนะ่ยอยู่วงนอกหลวงพ่อเนะเป็นผู้สนับสนุนผู้ง่ายๆถ้ามันขาดเรือเท่าไหร่เขาก็บอกมาหลวงพ่อก็พิจารณาดูแล้วคืออา้าวให้การสนับสนุนหาทุนช่วยให้ถูกต้องเป็นธรรมไม่ให้ใครเดือดร้อน การสร้างเจดีย์ไม่ให้ใครเดือดร้อนไม่ให้ใครทุกข์ใจพูดแล้วทำไมก็พ่อหลวงตาเป็นพระหัวในหัวใจของลูกของหลานผู้มีศรัทธาที่รักเคารพในองค์หลวงตาถ้าไม่มีศรัทธาจะมายุ่งจะมาใกล้เราไม่ได้ขอร้องเราไม่ได้เกี่ยวเนื่องอีกต่างหาก เอาหูไปนาเอาตาไปไร่อย่างงานอย่างอื่นมันมีตังเยอะแยะมายุ่งทําไมในเมื่อไม่มีศรัทธาถ้ามีศรัทธาเราก็เอามาไม่ว่ากันคนละมากคนละน้อยรักเคารพในองค์หลวงตากเกษียสละร่วมกันเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ใช่ของหลวงพ่ออินไม่ใช่ของหลวงพ่อสุดใจไม่ใช่ของผู้ใดเป็นสมบัติของแผ่นดินใครจะมากราบไม่มากราบก็ไม่ว่ากันอีกไม่มาดูไม่มาดูาดลบ ก, ก็ไม่ได้ว่าอีกสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วผู้มีที่รักเคารพในองค์หลวงตาคือเอาเข้ามามากราบมาไหวมาอ่านประวัติของหลวงตาเชิดชูบูชา ถ้าไม่มีใครไม่มีศรัทธาอย่ามาใกล้อย่ามาเดินผ่านอีกต่างหากอยู่ห่างๆไปเลยจุที่ไหนก็ได้แผ่นดินเมืองไทยมันตั้งกว้างขวางจะไปใกล้ทนะลําไมหลวงพ่อวาอย่างนั้นนะอันนี้พูดตามธรรมชาติเราไม่ได้พูดดูถูกเกียดหยามผู้ใดใครผู้หนึ่งพูดให้ฟังเป็นธรรมชาติ อ, อธรรมชาติถ้าเรา แต่อหลวงพ่ออินไม่พอใจหลวงพ่ออินก็ไม่ไปใกล้อีกเหมือนกันในจุดไหนเพออราะเหตไปใกล้ทำไมไปใกล้เสมอกับเราไปดูถูกเกลียดยามเขาอีกพราะนั้นเราจะไปใกล้พราะเรามีมีศรัทธาในเมื่อมีศรัทธาแล้วเข้าไปในพระเจดียนะ์มีไหมในประวัติมีนะศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎก สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดป่าเชตะวันท่านก็เดินทางเสด็จไปโปรดศรัทธาญาติโยมอย่าที่พระองค์เคยเสด็จไปวันนั้นท่านเสด็จไปนู่นไปพาราณสีเมืองพาราณสีตามลายทางพระภิกษุสงฆ์ตั้งห้าตามเสด็จพระพุทธองค์ไปที่ไหนพระสม์ไปมากนะ เดินตามท่นี้ท่านก็ไปหยุดอยู่ที่แห่งหนึ่งบเหมือนกับเป็นที่เนินเป็นเป็นบ้านเป็นบ้านล้างเป็นที่เนินอ่าทีนี้พระองค์กุปทับนั่งกับพระสงฆ์ทั้งหลายมีพราหมณ์คนหนึ่งที่เขาทำกสิกรรมคือการทำไร่ทำนาปลกูกอะไรก็ไม่ทราบปลูกสิ่งของอยู่ในละแวกนั้น เขาเห็นพวกพุทธเจ้าเขาไม่ได้สนใจกับพระนะเขาทําำทําการทํางานอยู่ข้างๆพระองค์ก็บอกว่าไปเรียกพราหมณ์คนนั้นมาพราหมณ์คนเขามามาเขาก็ไม่ได้แสดงความเคารพพระพุทธเจ้านะเวลาเขาจะกราบนะเขากราบไปทางนู่นไปกราบที่เนินดินนะพอจะเขาจะเข้ามาแล้วเขา มาเนี่ยเขาก็หันหน้าไปทางเนินดินเขาก็ยกมือไหว้เนินดินเขาแสดงความเคารพเนินดินพระพุธองพระสงฆ์ก็เลยแปลกใจว่าทำไมพราหมณ์คนนี้เขาจึงทําลักษณะอย่างนี้ทั้งทีพระพุธองก็นั่งพร้อมกับพระสงฆ์ตั้งหมู่ใหญ่พระองค์บอกว่านี่พราหมณ์คนนี้น่ะมันมีอุปนิสัยติดมาตั้งแต่ติดภพติดชาติคือจุดนี้น่ะเป็นจุดที่เป็นพระเจดีของพระพุทธเจ้ากัจจปะ ในอดีตชาติอดีตการเขาสร้างพระเจดีย์จุดนี้แหละเป็นที่ถวายที่สร้างบูชาพระพุทธเจ้ากัสจปะจากนั้นเขาคนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเกิดมาเขาก็พูดต่อๆกันไม่รู้ว่ากี่รุ่นกี่หมืน่นกี่แสนชาติแลหละคนที่เกิดมาพอเกิดมาจะไหนเขาก็เคารพเจดีย์พระพุทธเจ้ากัสจปะตรงนี้น่ะ จต่จนมาถึงพราหมณ์คนนี้แหละพราหมณ์คนนี้เขาก็ยังขันหน้าไปด้วยความกลแต่เขาไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรแต่บรรพบุรุษของเขาเขาบอกว่านี่นะอจุดนี้เป็นจุดที่เคารพสักการะนะเป็นบุญกุศลนะพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ตําหนิบอกว่าเขาเคารพในเจดีย์พระพุทธเจ้ากัจจปะคนที่ไปสู่สวรรค์กับพระเจดีย์พระพุทธเจ้าเก้าเจ้ากัจปะเนี่ นับครรนาหาประมาณไม่ได้มากมายทีเดียวเพราะเขารำลึกถึงว่าเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เขาไม่รู้ประวัติว่าเป็นยังไงแต่ว่าเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์เขาถือกันมาอย่างนั้นแหะศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรคือศักดิ์สิทธิ์อยู่ในจิตในใจของเขาคล้ายๆว่าเป็นที่เคารพเป็นตระกูลเข้ามาพ่อแม่พาเขาพวกลูกหลานก็บอกเขารบนะเจดีย์จุดนี้นะ เขาลบลักษณะอย่างนั้นจากนั้นพระองค์พระพุทธเจ้าก็เลยดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายนี่แหละตรงนี้นอเป็นที่ปรฏิสถานพระเจดียด์พระพุทธเจ้ากัสสปะเมื่อพระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพานไปแล้วเขาก็สร้างเจดีย์จุดนี้ขึ้นมาเพื่อมันจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะ แต่ลักษณะเดี๋ยวเราตถาคตจะจำลองให้ดูเนะพราะว่าเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็จำลองจำลองพระเจดียนะ์เอเด่นโดดเด่นอยู่ในอากาศเลยสูงใหญ่ให้พระสงฆ์ทั้งหลายคนทั้งหลายได้เห็นได้กราบได้ว่าออยู่ได้ถึงเจ็ดวันที่พระพุทธองค์ได้จำลองพระเจดีย์ขึ้นมาในอากาศ ให้พระสงฆ์ทั้งหลายแล้วก็ให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ดูนี่แหละเจดีย์พระพุทธเจ้ากัจส ป, ปะในครั้งนูน้นถ้าสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้ลคล้ายๆวันี่แหละเป็นจำลองจากพระเจดีย์ใหญ่เด่นอยู่ในอากาศ จากนั้นพระองค์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาบรรดาศรัทธาญาติโยมธรรมปริษัทย์ในสำเร็จมักสำเร็จผลมากต่อมากที่ยกประเด็นจิพระเจดีของพระรพระรุทธเจ้ากัจปะเป็นแบบอย่างนี่ถ้าพวกเราในศึกษาในพระไตรปิฎกในธรมรมปฏิทักษฐานนะพวกเราจะเห็นในจุดนี้ที่หลวงพ่อได้พูดได้เรียนให้ฟัง นั้นเรื่องพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระเจดีย์ของพระหันตสาวกเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเราไม่ได้ไ ม, ไ ม, มันไ ม, ไม่ใช่ของผลึงผู้ใดไม่ใช่ของใครใครจะสร้างขึ้นมาแล้วก่อนนั้นเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชานอบน้อมเป็นบุญเป็นกุศลของผู้ที่กราบเคารพสักการนะ ถ้าผู้ไม่เคารพสักดิระก็ไม่เห็นมีอะไรอีกเหมือนกันเพราะไม่เคารพจะว่ายอย่างไรวันนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเป็นแนวแถวที่ทางด้านวัตถุแต่ถึ้งยังไงก็ตามด้านวัตถุน่ยมันก็เป็นแนวทางหนึ่งเหมือนกับเปลือกไม้ก่อนที่จะไปถึงแก่นได้มันก็ต้องสร้าง มีเปลือกซะก่อนถ้าเปลือกมันสมบูรณ์กับพีมันก็สมบูรณ์เพราะกับพีของมันก็สร้างแก่นอ่ามันก็เป็นแก่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์อีกเหมือนกันถ้าว่าเปลือกของมันกระท่อนกระแท่นเปลือกไม่ไม่หุ้มกระทางต้นไม้มีสัตว์แทะหมูป่ามีอะไรชนเปลือกไม้มันแตกหมดอย่าหวังเลยต้นไม้ตัว น, นั้นจะมีแก่น มีแต่อับเฉาหาวคอยบรรตายเท่านั้นเองนี้ก็เหมือนกันหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะมีทั้งเปลือกมีทั้งกะพีมีทั้งแก่นถ้าเราจะพูดเราจะพูดแต่แก่นอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราจะพูดพูดแต่เปลือกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องพูดถึงเปลือกกะพีและแก่นเปลือกคืออะไร ือก็คือเนี่ยการอยู่ด้วยกันมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันรักเมตตากันอยู่ด้วยกันด้วย ก, การเสียสละคือมีทานะมีการให้ทานการอยู่ด้วยกันคนที่อยู่ด้วยกันมากมายมีการเสียสละมีการเอื้อเฟื้อเอื้ออ า, ารีต่อกันมีมีความเมตตาต่อกันสงเคราะห์อนุเคราะห์กันคือทานะ ให้อมิชทานให้วิทยาทานคือความรู้ให้อภัยทานคือให้อภัยกันให้ธรรมทานคือแนะนำไปในทางที่ถูกต้องที่เป็นสัมมาทิฏฐิอ น, นิธานะินคือก็คือกพีการอยู่ด้วยกันต้องมีกฎต้องมีระเบียบมีกฎกติกามีผน้อยมีผู้ใหญ่ มีสัมมาคารวะรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักรู้จักสิ่งควรไม่ควรกาลเทศการสถานที่บุคคลควรจะแสดงออกอย่างไรอันนี้ก็คือกภพีแก่นก็คือสมาธิธรรมและก็ปัญญาคลี่คลายหาเหตุผลแลวผลในสุดก็ตัดกิเลสราคะโทสะโมหออกจากจิตใจได้ เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระประเจกพุทธเป็นพระหรหันสสาวกเป็นพระอนาคามีพระสักคาคามีพระโสดาบันนี่แหละเริ่มเป็นแก่นแก่นอ่อนแก่นแก่ไปเรื่อยแก่นเล็กก่อนมันต้องใหญ่ขึ้นไปเรื่อยพ้นที่สุดก็เป็นแก่น ที่แข็งแกร่งคือพระหันนี่แหละอันนี้สรุปแล้วก็คืออย่างที่พวกเราได้ศึกษาดูก็ลักษณะอย่างนั้นฮะ ป, ป, ปับมาจะมาเป็นแก่นเเลยจะมาภาวนาโดยโดยที่ไม่มีกฎระเบียบอะไรมานะเราเราจะเอาอะไรมาคิดมันไม่ได้นะอานาตาญาณโยมลูกหลานนะ ที่ได้ศึกษามาลั ก, ลกษณะอย่างนั้นแต่ถึงอย่างไงก็ตามขอให้พวกเราทุกๆท่านนะแต่วิธีการจะสร้างแกณนนะ์สินของทานของเราก็มีแล้วนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมีทานะมีฐ า, านะอยู่แล้วศนะินของพองรักรักษากายวายจายอยู่แล้วนะแต่เรื่องภาวนานของเรายังขาดตกบกพร่องอยู่การภาวนาทำอย่างไร อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลายสายมีหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะแต่เอาเถอะหลายหมู่หลายคณะก็เถ อ, อะเราจะไปวันหนึ่งไปดำนาไปทำข้าวคนหนึ่งไปกีดรติยางไปหนึ่งคนไปทำไร่ข้าวโพดวันหนึ่งไปงานทาไรส่สำปะหลังคนหนึ่งไปวันหนึ่งไปขายน้ำมันไปหนึ่งไปขายของสำคนหนึ่งไปนั่งโต๊ะเป็นข้าราชการไหวหรอ มันคงอย่างนั้นไม่ได้เป็นบ้าตายอีต่างหากเราจะทำอะไรอาชีพของเราเราจะทำนาแต่วิธีการทำนาหลวงปู่มั่นท่านสอนวิธีการทำนาทำอย่างนี้นะเราก็ต้องศึกษาวิธีการทำนาแนวแถวแบบสายหลวงปู่มั่นสายอื่นมีไหมมีล้วนแล้วแตได้เงินทั้งนั้นแต่เราจะไปทำทุกสายอย่างนั้นเหรอ ไม่ใช่ลงตากลางจางโดดกลางจางโดดกลางจางเนี่ยผลที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่างอาพอมันทำหลายหน้าหล า, หลายทางเกินไปไม่ทำตั้งอกตั้งใจทำให้ดีเมื่อเราทำจุดไหนทำให้ดีาตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็เชื่อมั่นอีกต่างหากว่าหลวงปู่มั่นของเร า, เเาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรา วิธีการเดินมักท่านทํำยังไงและท่านในมักผลยังไงเป็นที่ยอมรับการทวนนาให้เราศึกษาในจุดนี้หลวงปู่มั่นเราเชื่อมั่นไหมใช่เรามั่นใจว่าหลวงปู่มั่นคือพระหรหัสรหลวงปู่เสาเป็นพระหรหัสรหลวงตาหมหาบัวพระหรหัสนี่วิธีการทำของท่านท่านทําอย่างไรวิธีการเนี่ยหลวงปู่ท่านก็สอนเมื่อท่านทำจบแล้ว หน้าที่ของท่านเสร็จแล้ววิธีทำนานได้ขายข้าวแล้วเป็นรวยและเป็นเศรษฐีแล้วท่านก็อสอนวิธีการทำนานทำอย่างไรวิธีการทำสมาธิเบื้องต้นทำอย่างไรนี่แหละให้พวกเราศึกษาศึกษาแนวแถวหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนท่านสอนให้ภาวนาก่อนที่จะภาวนาถ้ามีเวลาแต่ลงมาอยู่อย่างวัดมาอยู่วัด อยู่ตามลําพังคนเดียวอย่างพระสงฆ์เนี่ยนะอันดับแรกของเราควรจะไหว้พระสะก่อนราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พอเราบวชมาเนี่ยเราบวชอุทิศใครเราไม่ใช่ว่าคิดมาบวชแบบฟักบวชฟักบวชแฝงบวชกวนน้ำวะไม่ใช่เราบวชมาเพื่ออุทิศพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เพราะนั่นเราล้มเราจิตใจของเรามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นแนวเป็นแนวแนวทางและเป็นแนวนําชีวิตของเราเรารักเคารพจนถึงว่าพุทธังทำมังสังขังสารนางคดฉามิข้าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง ทำไมเราเราจึงยอมรับถึงขนาดนั้นก็เพราะว่าเราได้ศึกษาหลายวันหลายเวลาหลายโอกาสได้ศึกษาแล้วก็ดูแนววิธีการสอนของท่านจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเราอีกออท่านเอานำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเราอีกเราจึงยอมน้อมรับ ประธรรมคำสอนของพุทธะแต่ที่นี้เราเมื่อน้อมเราลำยอมน้อมรับทำคำสอนของพุทธะแล้วนะก็ใครเป็นคนสอนก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วท่านปฏิบัติมาแล้วได้ผลแล้วท่านจึงนำมาสอนอีกที่หนึ่งท่านเชื่อมัน่นเพราะนั้นเราเชื่อในธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่าน แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเราหกไปโกหกต้มตุนหลอกลวงตอแหลเราแน่ๆเราก็มาพิจารณาอีกว่าที่ท่านออกบอกสอนมาเนะ่เราก็นำมาคิดอีกเราหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้ยอมรับในพระธรรมคำสอนท่านจะพูดเรื่องทานก็ดีเรื่องกฎระเบียบเรื่องศีลก็ดีจะพูดเรื่องจิตตภาวนาก็ดีเราน้อมเราพร้อมยอมรับเพราะนั้น เราก็ต้องปฏิบัติตามทแต่ในเมื่อเห็นด้วยแล้วเอในเมื่อเห็นว่าไม่มีทางอื่นที่จะดิ้งยียิ่งกว่านอะ่ท่านบอกวิธีการสอนของท่านเออเอาอยู่ตามลําพังนะอยู่ในความสงบให้ไหว้พระก่อนเนอะอย่างพวกเราไหว้พระเมื่อกี้เนี่ยระหังสวากาโตสุปฏิปโนจะไหว้ทั้งจบทั้งหมดก็ได้หรือจะได้ดย่อๆออกก็ได้ถ้ามีเวลา ไม่มากก็ไหวย่ๆยอๆอะไร阿拉หังสวาคาโตสุปฏิพนโนเจ็ดกันนโมตจะปะกวาโตราหโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนโมสามจบเจ้น้ากัพุทธทางทำมังสังขังสรณงคัจฉามิดุติตาติข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่ง จบแล้วก็แผ่เมตตาอาหารสุขิโตโหมิเนตุโห ม, มิถ้าเราไม่ได้แล้วก็พาพาแผ่เมตตาเป็นภาษาใจภาษาใจเลยข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นก็จงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นดวงใจอื่นๆ ทั่วไตรโลกธาตุข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรวิญญาณอื่นดวงใจอื่นๆก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงใจทุกๆดวงวิญญาณด้วยเทอญอันนี้คือแผ่เมตตาทําไมจึงได้แผ่เมตตาอย่างนั้นเพราะว่าบางทีใจของเราเนี่ยอาจจะมีความโมโหผูกพยาบาทลึกๆอยู่ในจิตใจในอดีต กับผู้ใดใครก็ได้แต่บัตรนี้เราแผ่เมตตาเราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองกับใครทั้งหมดเราพร้อมที่จะให้อภัยในขณะที่เรานั่งภาวนาเ พ, เพราะไรเพราะการภาวนาของเราใจของเราจะต้องคลายทั้งหมดรู้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเวนจะระงับไม่ได้ถ้าว่าพวกเรายัางจองเวนกันอยู่เวนจะระงับได้ ถ้าว่าพวกเราไม่จองเวรนนะเพราะนั้นเรารู้ว่าการไม่จองเวรเวรจะเวรจะระงับเพราะนั้นเราจะไม่จองเวรจองกรามกับใครทั้งหมดในขณะที่นั่งภาวนาเพราะเราที่จะปล่อยวางเขาจะจะพ้นทุกข์อยู่แล้วนะ เ, เมื่อเราแผ่เมตตาจบแล้วคนนั่งคัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายป น, นมือขึ้นซะก่อนแต่กนี่ยป น, นมือระหว่างอ ก, อกอระหว่างอก ไหว้ครูอีกทีหนึง เ, นเมื่อก่อนนะเราไหว้แล้วคาวะแล้วอรหังอวิ อ, ภ, อภิวาทเทมิอภิวาทแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากใ น, นก่อนที่นั่งสมาธิเนี่ยคือการนั่งสมาธิไม่ใช่ผู้ใดใครพุ่เป็นผู้คิดขึ้นคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดพับเป็นพระธรรมคําคสอนออกมาจากนั้นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เอาพระธรรมคําคสอนออกมาบอกกล่าวเรา เราก็น้อมน้อมยอมรับจากนั้นเราก็นั่งประนมมือขึ้นมาแล้วก็พุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจะ้วเลิกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นบรมครูที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวที่พระสงฆ์นําพระธรรมคำสอนมาบอกให้กับเราสอนเราจากนั้นเอามือลงพเอเมือลง บริกรรมอะไรแต่ว่าก่อนที่เราจะนั่งภาวนาให้เราตั้งจิตอธิษฐานก่อนคือตั้งใจมั่นอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นเมื่อวันขณะที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิในคราวนี้ครั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอจะให้สติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดถ้ามันเผลอไปเมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะดึงกลับคืนมาให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวจะไม่ให้เผลอนะ เอออันนี้คือความตั้งม่ใจมั่นของเรานะมันต้องมีจิตตั้งจิตอธิฐานนะตั้งใจมั่นจากนั้นเอามือลงแบบบรกิกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเผลอไปดึงกลับขึ้นมาอีกพุทธโทพุทโทเผลอไปดึงกลับขึ้นมาอีกพุทโทพุทโทบังคับให้อยู่กับพุทโ ท, โทนะอ่ะ อยู่ที่ปลายจมกูกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนนี่แหละถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวเนี่ยนะอีกสักวันหนึ่งจิตใจของเราจะเข้าสู่เข้าสู่ความสงบแล้วไงเพราะใจไม่ออกไปข้างนอกใจอยู่ในปัจจุบันในจิตปัจจุบันธรรมใจมันแน่งจากนั้นใจของเราจะ ได้รับความสงบเย็นสบายเย็นวา่าอะไรเพราะเย็นมีความว่าขึ้นมามีความสุขผิดปกติของจิตทั่วๆไปของใจทั่ ว, วไปของความรู้สึกทั่วๆไปอันนี้แปลว่าได้รับสัมผัสในด้านสมาธิเบื้องต้นต่อไปเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยูอ่เราก็จะมองดูใจของเราอีก จนจิตใจของเราสติกับจิตควบคมุมความนึกคิดที่มันเผลอไปนะจากนั้นก็ใจของเราทันนะทันความนึกคิดของของความรู้สึกนั้นสติทันมันนึกคิดเรื่องอะไรก็ทันหมดแต่ไม่ถึงกับดิ่งได้แต่มันก็ยังดูอยู่มันไปที่ไหนก็ดูมันคิดเรื่องอะไรดูเป็นสตมีสติอยู่กับจิตควบคมุมจิตอยู่ เหมือนกับวัวควายมันมีเชือกมัดคอมันไว้อยู่นะมันจะไปที่ไหนก็เชือกมัดคอติดต้นเสาวไวอยูนะอ่มันออกนอกไปไม่ทะเลถลายไปทางอื่นเพราะจิของเราเป็นเป็นเชือกมัดไวอยู่นี่แหละต่อไป อควายและวัวตอนนั้นมันออกไปไม่ได้มันก็นอนะสิมันไปไม่ได้ใช่มันยืนอยู่ได้ไงมันก็เนั่งแล้วก็นนอนเห็นนอนเนั่งเนี่ยพอนั่งสงบแล้วจะจิตใจสงบเนี่ยเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบนั่งแล้วจะไหนจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นจิตสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนจะไหน เมเชือกมันก็หมดหมดความหมายอไอเลยเพราะมันควายนอนแล้วมันไม่ได้ดึงเชือกแล้ว่่มันก็อ ย, ยอู่เชือกกับควายควายกับเชือกน้นก็อยู่ด้วยกันเน่งฮะจากนั้นพอเน่งมันจะไม่รับรู้ทางกายไม่รับรู้ทางกายกายของเราทําอากับกิริยายอย่างไงไม่รู้หายใจเข้าออกไม่รู้ไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องร่างกายเลย มันมีแต่ใจอย่างเดียวดูใจอย่างเดียวนี่แหละจิตที่ที่รวมเป็นสมาธิเน่งเฉบางคนก็ได้นานบางคนก็ไม่ได้นานแต่สุดท้แต่พลังของกครของเราจากนั้นจิตใจของเราก็ถอนออกมาจากสมาธิมันถอนขึ้นมานะพอถอนขึ้นมามาหาอุปจาระแล้วก็ถอนเป็นจิตธรรมดาอ่ แต่เรามั่นใจว่ามเมื่อกี้เนี่ยที่เรานั่งภาวนาคราวนี้ใจของเราเข้าสู่ความสงบเ็นได้ชัดจิตใจที่เป็นอัปปนาสมาธิเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนโอ้มีความสุขสมกับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่านตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีโอ้เห็นได้ชัดเห็นได้จริงจริงจริง นี่แหละน้อมย้อมยอ ม, อยอมน้อมรับความสงบของจิตที่เป็นสมาธนะิจากนั้นเมื่อเป็นสมาธิแล้วจะทำยังไงต่อยนั่นละเรียนเรียนศึกษาทางวิปัสสนาที น, นีต้องใช้ปัญญาพิจารณานีน่ต้องถอนออกมาไม่ให้สงบนะาบางทีมันจะชอบสงบอยู่เรื่อยนีน่บางทีกันะกำหนดลมให้ใจก็มันสงบ จนสงบจนเป็นพื้นฐานนะติดในความสงบอีกเนะี่ยมันมีความสุขนะจิตใจที่ที่สงบเลยนะมันมีความสุขมากมาเลยจนไม่อยากจะออกไปพิจารณาอย่างอื่นอันนี้แหละคือพอจิตเขาสงบนั้นมันเหมือนกันเลยละมักผลนิพพานันอยู่ตรงนี้ละ่ะไม่ต้องอยู่ตรงอื่นนะแต่ทางจริงไม่ใช่มันต้องพิจารณาอีกที่นึง การกรองไตรตรองโดยเหตุและผลต้องเดินวิปัสนานะวิปัชนาคือวิปัชนึกนึกคิดหาเหตุผลหาเหตุผลกันกรองไตรตรองเรื่องเหตุและผลพราะพระพเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลงปู่มันท่านพ่อให้พิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายอย่างที่พระบวชใหม่ สมณเณรบวชใหม่ที่ท่านให้กรรมฐานห้านะ่เกสาลมานขาตันตาตาโจนนี่แหละให้พิจารณาสรุปแล้วก็คือให้พิจารณาร่างกายเพราะใจของเรามันหลงหลงอย่างอื่นก็ไม่ว่าขณะหลงตนเองหลงสามีภรรยาหลงลูกหลงทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาศัก์หลงเงินคำทรัพย์สมบัติเรื่องสวนไร่นามันหลงไปมันมีหลงมาก แต่ที่มันหลงจริงๆที่เราลืมไปคือความหลงจุดนี้นะมันหลงกายอถ้าพิจารณาดูมันจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านอู้ทำไมท่านถึงจะรู้ว่าใจของเรามันหลงหลงที่อื่นมันหมพอไได้้กายแลวมมมมัันน่องไปทางอื่นพระตามไม่จริงมันมันหลงกายเพราะฉะนั้นย้อนเข้ามาหาตัวกายพิจารณากายกายในเป็นของจิรังถาวรจริงไหม ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมจะอยู่โชว ฟ, ฟ้าดึงฉลายตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจเมื่อพิจารณามาย้อนมาถึงจุดนี้มันก็ยอมน้อมยอมรับหลายครั้งหลายหนนะไม่ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะใจตัวนี้มันติดพพติดชาติติดมาตั้งแต่ใส่ดักไส่เดือนอเป็นตัวบุ่งตัวหนอนเป็นวัวเป็นควายช้างมา้าจนเป็นมนุษย์จนเป็นเทวดาเป็นภพไราชาติมันก็ติดอยู่ในร่างกายนี่ย ว่าร่างกายเป็นของตัวตนเป็นของของเราจะแยกออกไปได้เป็นร่างเป็นตัวของเราแต่พวกพุทธิย่าหน่อยอย่านะอย่าไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวตนของเรานะมันคิดมันคิดได้แต่อีกสักวันหนึ่งเวลาร่างกายจะแตกตายสลายทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากร่างกายใจที่เราไปรับรู้นะมันทุกใจนะทีนี้ไม่ใช่กายนะไม่ใช่ของเรานะ ที่เวลาข่าวมันจะไปมันไปนะหลังมาอยู่นะใจนะอะในเมื่อเราพิจารณาจุดนี้เห็นจุดนี้เห็นคนอื่นว่าเปรียบเทียบคนอื่นว่า อ, อีกสักวันหนึ่งนะพอเห็นคนตายคนอื่นตายอีกสักวันหนึ่งนะข่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะไม่เป็นอย่างอื่นะในเมื่อเป็นอย่า ง, งานั้นข่าจะทํำยังไงเราจะไปทํำยังไงในจุดนั้นถ้าเป็นยงลักษณะอย่า ง, น, าา ง, งานั้นนี่แหละเราก็เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในพิจารณาร่างกายนี่นี่แหละ เลื่ น, นล้วนเลยจะเป็นวิปัสสนาทั้งนั้นเปรียบเทียบให้เห็นอันทีจังของไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกสิ่งทั้งหลายจังปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ตายสลายสู่ดินน้ำลมไปหนะ้าร่างกายนี่นะนี่แหละเราเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายไปตามสภาพของมันใจของเรารู้จักรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่รู้จักไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไวนี้คล้ายคล้า มองดูรู้อยู่อีกสักวันหนึ่งนะแตอถ้าจะต้องถึงจุดจบแน่นอนยอมรับไม้ใจใจที่ผ่านสมาธิมาแล้วนะมันจะยอมยอมรับเลยนะถ้าว่าจิตใจที่ไม่เป็นสมาธิไม่เคยผ่านสมาธิมันจะพยองพองตัวนะเ อ, อมันจะพยองพองตัวอ๋อมันจะไม่ยอบง่ายๆแต่เมื่อจิตใจผ่านสมาธิมาแล้วนะมันจะยอมเลยยอมใช่ ที่เราคิดนี่ถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหนึ่งไม่มีสองเลยเกิดมาแล้วต้องตายแน่ตายแล้วก็สู่สภาพดินน้าหลมไฟแต่เราล่ะใจของเราล่ะในเมื่อร่างกายขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราส่วนอื่นนะเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอยู่เหรอใจเนะี่ยปวดให้สุดมันก็เนี่แหละ พอเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจปล่อยวางที่ใจใจของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสโลภโกรธโงงที่มันอยู่ในกายมันอยู่ในใจรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันก็ปล่อยวางเป็นตามธรรมชาติอะไรก็ได้ดูเถอนกิเลสราคะโทสะโมหะมันไม่สามารถที่จะเข้าไม้ เยียบย่ำใจของเราได้เพราะเราเพราะไรเพราะเหตุไรพราะเรารู้แล้วนะใจของเราเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่แหละขอให้พวกเราทุกท่านนะพระเนรลูกหลานทุกองค์ให้ภาวนาอย่างวันนี้แหละเอ า, าเป็นวันพระเนี่ยข้าพระเจ้าจงงดนอน ไม่นอนเอาอริยบทสามยืนเดินนั่งเราก็จุดเทียนแล้วก็เดินจงกรมนั่งภาวนาเดินจงกรมนั่งภาวนา น, ะนี่แหละสู้ไปทีละน้อยละน้อยนะถ้าเราสู้อย่างนี้ต่อไปนะเราจะเป็นผู้ชนะไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราไม่สู้นะแปลว่าเป็นผู้แพ้ไปเรื่อยๆอีกเหมือนกันผลนูก็นะหาั้นหาความชนะไม่ได้ แพ้ตลอดไปเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะเป็นนักพจนักบวชนะอา่ามันต้องมีหนักมัต้องมีหนักบีเบาเอา่าจะให้เบาอยู่เรื่อยก็ไม่ได้หนักเกินไปหนักอยู่เรื่อยก็ไม่ไหวแต่หนักไว้ดีอา่าให้หนักไว้ดีกว่าที่จะเอาตัวรอดได้ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนันตาอดนอนผอนอาหารอาหารก็ต้องจะป ฉันตามอำเภอใจมากไปได้นะมันตัวกิเลสส่งเสริมกิเลสเหมือนกับช้างเลยนะ อ, อถ้าช้างมันมีแต่เลี้ยงอาหารอุดมสมบูรณ์คิดว่ามันจะดีไม่ใช่นะออพอช้างอ้วนพีอ้วนมีพีมันขึ้นมาเนี่ยฆ่าเจ้าของนละ้วปะเนี่อช้างตกมันมันไม่เลือกใครนะฆ่าคนมากต่อมากพ อ, พอะไรเพราะช้างตกมัน นี้ก็เหมือนกันน่ะร่างกายของเรานะถ้าเราเลี้ยงไปมากๆเลี้ยงอุด้ว น, นท้วนจมบุญอ้วนหมีพีมันโดยมากกามมั ก, กเล็มันจะขึ้นมาเหยียบคอของเราภาวนาเข้าไปมันก็จิตใจไม่หลงมันหาความน่งหาความสงบไม่ได้เนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่หงตาหมหบัวท่านย้อยอดอาหารนะพระ หนุ่มเน่นน้อยนะถ้าจะหวังความเก้าหน้าทางท่านจิตใจแล้วต้องอดอาหารนะผ่อนอาหารนะอย่าไปกินตามอำเภอใจอย่าไปกินจนหลากท้องหลากใสออกทุกวี่ทุกวันไม่ได้นะตายน ะ, ะกิเลสเอาไปกินหมดนะถ้าเรามุ่งหวังธรรมะแล้วต้องรู้จักต้องรู้จักอดนอนผ่อนอาหารอดอาหาร อันนี้คือแนวแถวของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพลังขอ่อยพวกเราพระเห็นทุกรานทุกองนะศรัทธาญาติโยมให้ฟังเอาไว้นี่นะเป็นแนวทางสําหรับผู้ปฏิบัติพว้หวังมุ่งหวังหาทางพ้นทุกในวัฏสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการต้องคิดอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้นะ อันตอนนี้ไปนั่งสมาธิเลยนะที่นี้นะวันนี้หลวงพ่อพูดยาวแล้วไม่ต้องเปิดเทปก็ได้วะเนี้ยนั่งภาวนาที่นี่นะนั่งภาวนาตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทพโธพุทพโธพุทโธมันเพลอไปดึงกลับมานะ่ะแต่หลวงพ่อจะขอเวลานะจะให้พกูกท่านรุ่นพวกเนี หมู่พวกเพื่อนนั่งภาวนาเอาให้นานนะวันนี้จะไปนั่งอากาศดีอากาศเย็นๆเลยต้องนั่งให้นานจะ <c oughs> ไปนั่งพอมันลมหลอมแล้วไม่ได้นะลุงพ่อไปแล้วปกเรานั่งนาน ๆ, น, ๆนั่งภาวนาต้องฝึกมันปวดมันปว ด, ม, ปวดมันปวดที่ตรงไหนอมันปวดอะไรทําไมจึงปวดถ้าคนตายแล้วมันปวดไหม ทำไมจะไม่ทำไมจมันจึงไม่ปวดคนตายเพราะไม่มีใจไม่มีวิญญาณนะ่มันก็เลยไม่ปวดเอาทางนั้นก็ใจของเรามันปวดที่วิญญาณไม่ใช่ลรือปวดที่ใจไม่ใช่หระใจไปให้ความสำคัญอย่างนั้นใช่ไหมมันยังปวดนะนี่แหละเคยสู้ไปต้องสู้ไปลักษณะอย่างนั้นนะพวกเราท่านทั้งหลายนะเอานั่งกัตมาธิในท่านนี้นนะป น, นมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนแล้วจะ น้อมนึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆแล้วก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทุกวิญญาณทั่วไรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา ทุกๆดวงใจด้วยเทินแล้วก็เอามือลงบริกรรมพุทโธพุทโธอะกรีนะ